พุทธิยาสิกขาปทสูตรว่าด้วยสิกขาบทสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายกรรมสี่ประการนี้เราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันรู้ยิ่งเองแล้วจึงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามกรรมสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. กรรมดำมีวิบากดำา 2. กรรมขาวมีวิบากขาว สามกรรมทั้งดําและขาวมีวิบากทั้งดําและขาวสี่กรรมทั้งไม่ดําและไม่ขาวมีวิบากทั้งไม่ดําและไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมกรรมดามีวิบากดําเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่ามารดาเป็นผู้ฆ่าปีดาเป็นผู้ฆ่าพระอาหารหันต์มีจิตประทุศร้ายต่อพระตถาคตยังพระโลหิตให้ห่อขึ้น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 เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อไม่เพ่งเลงอยากได้ของเขามีจิตไม่พยาบาทมีความเห็นชอบนี้เรียกว่ากรรมขาวมีวิบากขาวกรรมทั้งดําและขาวมีวิบากทั้งดําและขาวเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ปรุงแต่งกายสังขารที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างละถึงนี้เรียกว่า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 ภิกษุทั้งหลายกามสี่ประการนี้แหละเราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วจึงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทุติยสิกขาปะทะสูตรที่หจบหกอริยะมกสูตร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 มีวิปากทั้งไม่ดำและไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมกรรมดำมีวิบากดำเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ปรุงแต่งกายสังขารที่มีความเบียดเบียนและถึงนี้เรียกว่ากรรมดำมีวิปากดำกรรมขาวมีวิปากขาวเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ปรุงแต่งกายสังขารที่ไม่มีความเบียดเบียน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 อริยะมะคะสูตรที่6จบเจ็ดพชังคสูตรว่าด้วยพช่ชงภิกษุทั้งหลายกรรมสีประการนี้เราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว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 คือสติส e ัมโพชงทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้ธรรมวิจยะสัมโพชงทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเฟ้นธรรมวิริยะสัมโพชงทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเพียรปิติสัมโพชงทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความอิ่มใจปัสสติสัมโพชง ทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความสงบกายระ ง, งับใจสมาธิสัมโพชฌงค์ทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความตั้งจิตมั่นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความวางใจเป็นกลางนี้เรียกว่ากรรมทั้งไม่ดำและไม่ขาวมีวิบากทั้งไม่ดำและไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมภิกษุทั้งหลาย กรมสีประการนี้แหละเราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วจึงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามโพ้ชังกสูตรที่7จบ 8. สาวชสูตร ว่าด้วยกรรมและทิฏฐิที่มีโทษภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยทำสีประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ทำสีประการอะไรบ้างคือ 1. กายกรรมที่มีโทษ 2. วจีกรรมที่มีโทษ 3. มนโนกรรมที่มีโทษ 4. ทิฏฐิที่มีโทษภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยทำสีประการนี้แหลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยทำสี่ประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ทำสประการอะไรบ้างคือ 1. กายกรรมที่ไม่มีโทษ 2. องวจิกรรมที่ไม่มีโทษ 3. มนโนกรรมที่ไม่มีโทษ สี่ทิฐิที่ไม่มีโทษภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แหลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้สาวัตถสูที่8จบ9เก้า อพยปัชสูตรว่าด้วย ก, กรรมและทิฏฐิที่ไม่มีความเบียดเบียนภิสุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. กายกรรมที่มีความเบียดเบียน 2. วัวจีกรรมที่มีความเบียดเบียน 3. มมโนกรรมที่มีความเบียดเบียน 4. ทิฏฐิที่มีความเบียดเบียนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แหลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ธรรมสประการอะไรบ้างคือ 1. นกายกรรมที่ไม่มีความเบียดเบียน สอวจีกรรมที่ไม่มีความเบียดเบียน 3. มโนกรรมที่ไม่มีความเบียดเบียน 4. ทิฏฐิที่ไม่มีความเบียดเบียนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยรำสีประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้อพยาปาจสูตรที่9จบ สิบสมณะสูตรว่าด้วยสมณนะภิกษุทั้งหลายสมณะที่หนึ่งสมณะที่สองสมณะที่สามและสมณะที่สี่มีในธรรมวินัยนี้เท่านั้นละที่อื่นว่างจากสมณะทั้งสี่เธอทั้งหลายจงบรรเลงศีรหนาาโดยชอบเถิดสมณะที่หนึ่งเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปจึงเป็นพระโสดาบันไม่มีทางตกต่ามีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้านี้เป็นสมณะที่หนึ่งสมณะที่สองเป็นอย่างไรคือพิสุในธรรมวินัยนี้เพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางจึงเป็นพระสกะทาคามี มาสู่โลกนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็จะทำที่สุดแห่งทุกได้นี้เป็นสมณะที่สองสมณะที่สามเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไปจึงเป็นโอปปาติกะปรินิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอย่างแน่นอนนี้เป็นสมณะที่สามสมณะที่สี่เป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ทําให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นสมณะที่สภิกษุทั้งหลายสมณะที่หนึ่งสมณะที่สองสมณะที่สและสมณะที่สมีในธรรมวินัยนี้ลัที่อื่นว่างจากสมณะทั้งสี่ เธอทั้งหลายจงบรรลลอศี น, นาะโดยชอบเธอสมณสูตรที่ 10, 11. สิบจบสิบเอ็ดปุริสานิสังสัสดูว่าด้วยอนิสงส์ที่พึงได้จากสัตว์บุษ ภิกษุทั้งหลายบุคคลอาศัยสัตบุรุษแล้วพึงหวังได้อนิสงส์สีประการอนิสงส์สีประการอะไรบ้างคือ 1. เจริญด้วยอริยศีล 2. เจริญด้วยอริยสมาธิ 3. เจริญด้วยอริยปัญญา 4. เจริญด้วยอริยวิมุตติภิกษุทั้งหลาย บุคคลอาศัยสัต บ, บุรุษแล้วพึงหวังได้อนิสงส์สีประการนี้สัปุริษานิสังสัต ส, สูตรที่11จบกรรมวักที่สจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. สังคิตสูตร 2. วิทารสูตร 3. โสนกายณะสูตร 4. ปทมมาศิขาปทัสูต ร, ต ร, ร, ร, ะะตร 5. ทุติยสิกขาปทัสูตรหกอริยมกสูตรเจ็ดโพชังกสูตรแปดสาวัตชสูตรเก้อาอพยาปัชสูตรสิบสมณะสูตรสิบเอ็ดสปุริสานิสังสสูตร ปฏิพยวักหมวดว่าด้วยอาปติภัยหสังคเพท ก, กะสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ทำลายสงฆ์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโคสิตารามเข ค, ครุงโคสัมพีครั้งนั้นแลท่านพระอาห น, น์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งหน้าที่สมควร พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระอานนุ์ดังนี้ว่าอา น, นุ์อธิโกนระงับแล้วหรือท่านพระอา น, นุนทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอธิโกนนั้นจะระงับแต่ที่ไหนสัตธิวิหาริกชื่อว่าพาหิยะของท่านพระอนุรุทธะมุ่งจะทําลายสองฝ่ายเดียวเมื่อพระพาหิยะยังยืนยันอยู่อย่างนั้นท่านพระอนุรุทธะ ก็ยังไม่พูดอะไรสักคำเดียวพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์เมื่อไรอนุรุธทธะจะจัดการชำระอธิกรณ์ในถ้ำกลางสงอธิกรณ์ใดก็ตามที่เกิดขึ้นเธอทั้งหลายกับสารีบุตรและโมคลานะจะต้องชำระอธิกรณ์ทั้งหมดนั้นให้รังับไปไมิใช่หรืออานนท์ภิกษุผู้เลวสามเมื่อเล็งเห็นอำนาจประโยชน์สี่ประการนี้ จึงยินดีการทำลายสงอํานาจประโยชน์สีประการอะไรบ้างคือหนึ่งพิสษุผู้เลวทรามในธรรมวินัยนี้เป็นคนทุศีลมีทำเลวทรามไม่สะอาดมีความประพฤติที่น่ารังเกียจมีการงานปกปิดไม่ใช่สมณนะแต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณนะไม่ใช่พรหมจรรีแต่ปฏิญญาว่าเป็นพรหมจารีเน่าภายในชุ่มด้วยราคะ เป็นเหมือนอยากเยื่อเธอคิดกังวลอย่างนี้ว่าถ้าพวกภิกษุจะรู้ว่าเราเป็นคนทุศีลมีทาเลวสามไม่สะอาดมีความประพฤตินหน้ารังเกียจมีการงานปกปิดไม่ใช่สมณะแต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่ใช่พรหมจารีแต่ปฏิญญาว่าเป็นพรหมจารีเน่าภายในชุ่มด้วยราคะเป็นเหมือนอยากเยื่อจะพร้อมใจกันทําลายเราเสีย แต่ถ้าแตกแยกกันจกทำลายเราไม่ได้ภิกษุผู้เลวทรามเมื่อเล็งเห็นอำนาจประโยชน์ที่หนึ่งนี้จึงยินดีการทำลายสงฆ์ 2. ภิกษุผู้เลวทรามเป็นมิจฉาทิฐิประกอบด้วยอันตาคาหิกะทิฐิเธอคิดกังวลอย่างนี้ว่าถ้าพวกภิกษุจะรู้ว่าเราเป็นมิจฉาทิฐิประกอบด้วยอันตาคาหิกะทิฐิ จะพร้อมใจกันทำลายเราเสียแต่ถ้าแตกแยกกันจกทำลายเราไม่ได้ภิกษุผู้เลวสามเมื่อเล็งเห็นอำนาจประโยชน์ที่สองนี้จึงยินดีการทำลายสม 3. ภิกษุผู้เลวสามเป็นผู้มีมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพเธอคิดกังวลอย่างนี้ว่าถ้าพวกภิกษุจะรู้ว่าเราเป็นผู้มีมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพ จะพร้อมใจกันทำลายเราเสียแต่ถ้าแตกแยกกันจะทำลายเราไม่ได้ภิกษุผู้เลวซามเมื่อเล็งเห็นอำนาจประโยชน์ที่สมนี้จึงยินดีการทำลายสงฆ์ 4. ภิกษุผู้เลวซามปราถนาลาบสักระและชื่อเสียงเธอคิดกังวลอย่างนี้ว่าถ้าพวกภิกษุจะรู้ว่าเราปราถนาลาบสักระและชื่อเสียง จะพร้อมใจกันไม่สักการะไม่เคารพไม่นับถือไม่บูชาเราแต่ถ้าแตกแยกกันจกสักการะเคารพนับถือบูชาเราภิกษุผู้เลวทามเมื่อเล็งเห็นอำนาจประโยชน์ที่สนี้จึงยินดีการทำลายสง์อานนทภิกษุผู้เลวสามเมื่อเล็งเห็นอำนาจประโยชน์สประการ น, นี้แหลจึงยินดีการทำลายสง์ สังฆเพทกะสูตรที่หนึ่งจบสองอปัติพยสูตรว่าด้วยอาปัติภัยภิกษุทั้งหลายอาปัติภัยภัยที่เกิดจากการต้องอาบัตสีประการนี้ อาปฏิภัยสี่ประการอะไรบ้างคือหนึ่งิสษุหรือภิสษุนีบางรูปเข้าไปตั้งสัญญาในอาบัติประชิกทั้งหลายว่าเป็นภัยอย่างแรงกล้าการเข้าไปตั้งสัญญาของพิสษุหรือภิสษุนีนั้นพึงหวังได้ว่าผู้ยังไม่ต้องอาบัติประชิกก็จัะไม่ต้องหรือผู้ต้องแล้วจะทําคืนตามสมควรแก่ทำเปรียบเหมือนผู้ราชบุรุษจับโจรผู้ประพฤติชั่วได้แล้ว แสดงแก่พระราชาด้วยกราบทูลว่าขอเดชะชายผู้นี้เป็นโจรผู้ประพฤติชั่วต่อพระองค์ขอพระองค์จงลงพระราชาอาญาแก่เขาพระราชาจึงรับสั่งอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายจงไปจงใช้เชือกเหนียวมัดบุรุษนี้เอาแขนไพร่หลังอย่างแน่นหนาแล้วโกนผมนำตรเวนไปตามถนนและตรอก พร้อมกับแกว่งบรรันเดาะเสียงดังน่ากลัวนําออกทางประตูด้านทิศใต้แล้วตัดศีรษะทางด้านทิศใต้แห่งพระนครพวกราชบุรุษใช้เชือกเหนียวมัดบุรุษนั้นเอาแขนไพร่หลังอย่างแน่นหนาะแล้วโกนผมนําตระเวนไปตามถนนและตรอกพร้อมกับแกว่งบรรันเดาะเสียงดังน่ากลัวนําออกทางประตูด้านทิศใต้แล้วตัดศีรษะทางด้านทิศใต้ใตแห่งพระนคร ในที่นั้นมีชายคนหนึ่งยืนอยู่ณที่สมควรกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญชายผู้นี้ทำกรรมชั่วหน้าติเตียนจนต้องถูกตัดศีรษะพวกราชบุรุษจึงจับใช้เชือกเหนียวมัดแขนไพ่หลังอย่างแน่นหนาโกนผมนำตระเวนไปตามถนนและตรอกพร้อมกับแกว้งบันเดาะเสียงดังน่ากลัวนาออกทางประตูด้านทิศใต้ แล้วตัดศีษะทางด้านทิศใต้แห่งพระนครเขาไม่ควรทํากรรมชั่วร้ายเช่นนี้จนต้องถูกตัดศีษะเลย 2. ภิกษุหรือภิกษุณีบางรูปเข้าไปตั้งสัญญาในอาบัติสังฆาทิเศษทั้งหลายว่าเป็นภัยอย่างแรงกล้าการเข้าไปตั้งสัญญาของภิกษุหรือภิกษุณีนั้นพึงหวังได้ว่าผู้ยังไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเศษโคจักไม่ต้อง หรือผู้ต้องแล้วจะทําคืนตามสมควรแก่ทำเปรียบเหมือนชายนุ่งผ้าดําสยายผมห้อยศากไว้ที่คอเข้าไปในกลุ่มชนและพึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าได้ทํากรรมชั่วหน้าติเตียนควรแก่การห้อยศากท่านทั้งหลายพอใจให้ข้าพเจ้าทําสิ่งใดข้าพเจ้าจะทําสิ่งนั้นในที่นั้นมีชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้าที่สมควร กล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายชายผู้นี้ได้ทํากรรมชั่วหน้าติเตียนควรแก่การห้อยศากเขานุ่งผ้าดําสยายผมห้อยศากไว้ที่คอเข้าไปในกลุ่มชนแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าได้กระทํากรรมชั่วหน้าติเตียนควรแก่การห้อยศากท่านทั้งหลายพอใจให้ข้าพเจ้าทําสิ่งใดข้าพเจ้าจะทําสิ่งนั้น เขาไม่ควรทรคำชั่วหน้าติเตียนควรแก่การห้อยสากเช่นนั้นเลย 3. ภิกษุหรือพิกษุณีบางรูปเข้าไปตั้งสัญญาในอาบัตปาจิตตทั้งหลายว่าเป็นภัยอย่างแรงกล้าการเข้าไปตั้งสัญญาของภิกษุหรือพิกษุณีนั้นพึงหวังได้ว่าผู้ยังไม่ต้องอาบัตปาจิตตก็จักไม่ต้องหรือผู้ต้องแล้วจะทาคืนตามสมควรแก่ทำ เรือเหมือนชายผู้นุ่งผ้าดำสยายผมห้อยขอขี้ม้าไว้ที่คอเข้าไปในกลุ่มชนแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าทำกรรมชั่วหน้าติเตียนควรแก่การห้อยขอขี้ม้าท่านทั้งหลายพอใจให้ข้าพเจ้าทำสิ่งใดข้าพเจ้าจะทำสิ่งนั้นในที่นั้นมีชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้าที่สมควรกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลายชายผู้นี้ได้ทำคาชั่วหน้าติเตียนควรแกร่การห้อยห่อขี้มา้าเขานุ่งผ้าดำสยายผมห้อยห่อขี้ม้าไว้ที่คอเข้าไปในกลุ่มชนแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเขาพเจ้าได้ทรคำชั่วหน้าติเตียนควรแกร่การห้อยห่อขี้มา้าท่านทั้งหลายพอใจให้เขาพเจ้าทำสิ่งใดเขาพระเจ้าจะทาสิ่งนั้น เขาไม่ควรทํากรรมชั่วควรแก่การห้อยห่อขี่มา้าเช่นนั้นเลย 4. ภิกษุหรือภิกษุณีบางรูปเข้าไปตั้งสัญญาในอาบัติปาติเทสนียะทั้งหลายว่าเป็นภัยอย่างแรงกล้าการเข้าไปตั้งสัญญาของภิกษุหรือภิกษุณีนั้นพึงหวังได้ว่าผู้ยังไม่ต้องอาบัติปาติเทสนิยะก็จักไม่ต้องหรือผู้ต้องแล้วจักทาคืนตามสมควรแก่ทำ เปรียบเหมือนชายผู้นุ่งผ้าดำสยายผมเข้าไปในกลุ่มชนแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าได้ทำรมชั่วหน้าติเตียนควรตาหนิท่านทั้งหลายพอใจให้ข้าพเจ้าทำสิ่งใดข้าพเจ้าจะทำสิ่งนั้นในที่นั้นมีชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้าที่สมควรกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญชายผู้นี้ได้ทำคำชั่วหน้าติเตียน เขานุ่งผ้าดำสยายผมเข้าไปในกลุ่มชนแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเข้าพเจ้าได้ทํากรรมชั่วหน้าติเตียนควรตําหนิท่านทั้งหลายพอใจให้เข้าพเจ้าทําสิ่งใดเข้าไปเจ้าจะทําสิ่งนั้นเขาไม่ควรทํากรรมชั่วหน้าติเตียนควรติเตียนเช่นนั้นเลยภิกษุทั้งหลายอาปฏิภัยสี่ประการนี้แหล อปฏติพยสูตรที่สองจบ 3. สิกขานิสัง ส, สูตรว่าด้วยพระมรร์มีสิกขาเป็นอานิสงฆ์ภิกษุทั้งหลาย เราอยู่ประพฤติพรหมจารย์นี้มีสิกขาเป็นอนิสงมีปัญญาเป็นยอดมีวิมุตติเป็นแก่นมีสติเป็นอธิปไตยพรหมจรรย์มีสิกขาเป็นอนิสงเป็นอย่างไรคืออภิสมาจาริกะศิกขาเราบัญญติแก่สาวกทั้งหลายในธรรมวิในนี้เพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใสเพื่อความเลื่อมใส ย, ยิ่ง ข, ขึ้นของคนที่เลื่อมใสแล้ว อภิษมาจาริกาศึกขาเราบัญญัติแล้วแกสาวกเพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใสเพื่อความเลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้นของคนที่เลื่อมใสแล้วด้วยโดยวิธีใดๆสาวกนั้นไม่ทําศิกขานั้นให้ขาดไม่ให้ทะลุไม่ให้ด่างไม่ให้พร้อยสมทานศึกษาอยู่ในศึกขาบททั้งหลายโดยวิธีนั้นๆอีกอย่างหนึ่งอาทิพรมจริกาศึกขา เราบัญญัติแก่สาวกทั้งหลายเพื่อความสิ้นไปแห่งทุก์โดยชอบทุกประการอาธิพรมจริยกะศึกขาเราบัญญัติแล้วแก่สาวกทั้งหลายเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกโดยชอบทุกประการโดยวิธีใดๆสาวกนั้นไม่ทำศิกขานั้นให้ขาดไม่ให้ทลุไม่ให้ด่างไม่ให้พร้อยสมาทานศึกษาอยู่ในศึกษาบททั้งหลายโดยวิธีนั้นๆน พระมรรจามีศิกษาเป็นอนิสงส์เป็นอย่างนี้แหละพระมอาจามีปัญญาเป็นยอดเป็นอย่างไรคือทำทั้งหลายเราแสดงแล้วแกสาวกทั้งหลายในธรรมวินัยนี้เพื่อความสิ้นไปแห่งทุกโดยชอบทุกประการทำทั้งหลายเราแสดงแล้วแกสาวกทั้งหลายเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกโดยชอบทุกประการโดยวิธีใดๆทำทั้งหลายนั้นสาวกพิจารณาด้วยปัญญาโดยวิธีนั้นๆ พรหมจรนท์มีปัญญาเป็นยอดเป็นอย่างนี่และพรหมจันทร์มีวิมุตติเป็นแก่นเป็นอย่างไรคือทำทั้งหลายเราแสดงแก่สาวกทั้งหลายในธรรมวินัยนี้เพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์โดยชอบทุกประการทำทั้งหลายเราแสดงแล้วแก่สาวกทั้งหลายเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์โดยชอบทุกประการโดยวิธีใดๆทำทั้งหลายนั้น เป็นธรรมอันวิมุติถูกต้องแล้วโดยวิธีนั้นๆพรมจันทร์มีวิมุติเป็นแก่นเป็นอย่างนี้แลพรมจันทร์มีสติเป็นอธิปไตยเป็นอย่างไรคือสติภิกษุตั้งไว้ดีภายในว่าเราจากบำเพ็ญอภิสมาจาริกาสิกขาที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรือจากอนุเคราะห์อภิสมาจาริกาสิกขาที่บริบูรณ์แล้วด้วยปัญญาในฐานะนั้นๆบ้าง สติที่ภิสษุตั้งไว้ดีภายในว่าเราจากบัมเพนอาทิโภมจาริกะสิกขาที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรือจากอนุครหา์อาทิโภมจาริกะสิกขาที่บริบูรณ์แล้วด้วยปัญญาในฐานะนั้นๆบ้างสติที่ภิสษุตั้งไว้ดีภายในว่าเราจากพิจารณาธรรมที่เราไม่ได้พิจารณาด้วยปัญญา หรือจากอนุเคราะห์ธรรมที่เราพิจารณาแล้วด้วยปัญญาในฐานะนั้นๆบ้างสติที่พิกษุตั้งไว้ดีภายในว่าเราจากถูกต้องทำที่เราไม่ได้ถูกต้องด้วยวิมุตติหรือจากอนุเคราะห์ธรรมที่เราถูกต้องแล้วด้วยปัญญาในฐานะนั้นๆบ้างพระมจันมีสติเป็นอธิปไตยเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวว่า เราประพฤติพรหมจรรย์มีสิกขาเป็นอนิสงมีปัญญาเป็นยอดมีวิมุตติเป็นแก่นมีสติเป็นอธิปไตยเรากล่าวเพราะอาศัยเหตุนี้สิกขานิสังสสรที่สจบ เยยาสูตรว่าด้วยการนอนภิกษุทั้งหลายการนอนสี่ประการนี้การนอนสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. นอนอย่างคนตาย 2. นอนอย่างคนบริโภคกาม 3. นอนอย่างราชสี 4. นอนอย่างตถาคตนอนอย่างคนตายเป็นอย่างไรคือส่วนมากคนตายนอนงาย นี้เรียกว่านอนอย่างคนตายนอนอย่างคนบริโภคกามเป็นอย่างไรคือส่วนมากคนบริโภคกามย่อมนอนตะแคงซ้ายนี้เรียกว่านอนอย่างคนบริโภคกามนอนอย่างราชสีเป็นอย่างไรคือพญาราชสีย่อมสําเร็จการนอนตะแคงขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้าสอดหางเข้าในระหว่างโคนขามันตื่นขึ้นยืดกายส่วนหน้าแล้ว เหลียวดูกายส่วนหลังถ้ามันเห็นกายผิดแปลกหรือไม่ปกติอย่างไรไปมันย่อมเสียใจด้วยเหตุนั้นแต่ถ้าไม่เห็นอะไรผิดปกติมันย่อมดีใจนี้เรียกว่านอนอย่างราชสีนอนอย่างตถาคตเป็นอย่างไรคือตถาคตในธรรมวินัยนี้สังัดจจกการละถึงบรรลุจตุทถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ น, นี้เรียกว่านอนอย่างตถาคตภิกษุทั้งหลายการนอนสี่ประการ น, นี้แหละเสยยาสูตรที่สจบ 5. ทูปาระหสูตร ว่าด้วยถูปราระหะบุคคลภิกษุทั้งหลายถูปราระหะบุคคลสี่จำพวกนี้ถูปราระหะบุคคลสีจำพวกไหนบ้างคือ 1. พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นถูปราระหะบุคคล 2. พระปจเจกพุทธเจ้าเป็นถูปราระหะบุคคล 3. สาวก ข, ของพระตถาคตเป็นถูปราระหะบุคคล 4. พระเจ้าจากักรพรรดิเป็นถูปาระหะบุคคลภิกษุทั้งหลายถูปาระหะบุคคลสี่จำพวกนี้แหลถูปาระหะสูตรที่หจบหปัญญาวุติสูตรว่าด้วยความเจริญด้วยปัญญา ภิกสุทั้งหลายทำสีประการย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญด้วยปัญญาทำสีประการอะไรบ้างคือ 1. สัปปุริสสะสังเสวะการคบหาสัตปบปุรุษ 2. สัตธรรมมสวรนระการฟังสัตทธรรม 3. โยนิโสมนสิการการมนสิการโดยแยบคาย 4. ธรรมานุธรรมะปฏิปฏิ การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมภิกษุทั้งหลายทำสี่ประการนี้แหลย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญด้วยปัญญาปัญญาวุีิสูตรที่หกจบเจ็ดพหุการสูตรว่าด้วย ทรมีอุปการะมากภิกษุทั้งหลายทํามสีประการย่อมมีอุปการะมากแก่มนุษย์ทํามสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. สึส ป, ปุริสะสังเสริวสองสัทธรรมสวรรค์สโยนิโสมนัสการ 4. ธัมมานุธรัมรมะปฏิปติภิกษุทั้งหลาย ทำสีประการนี้แลย่อมมีอุปการะมากแก่มนุษย์พระหุการสูตรที่7จบ 8. ปดฐมโวโหหารสูตรว่าด้วยโวหารสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลาย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 ปฐมโวหารสูตรที่แปดจบ 9. ทุติยโวหารสูตรว่าด้วยโวหารสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายอริยะโวหารสีประการนี้อริยะโวหารสีประการอะไรบ้างคือ 1. ่การกล่าวสิ่งที่ไม่ได้เห็นว่าไม่ได้เห็น 2. การกล่าวสิ่งที่ไม่ได้ฟังว่าไม่ได้ฟัง สการกล่าวสิ่งที่ไม่ได้ทราบว่าไม่ได้ทราบ 4. การกล่าวสิ่งที่ไม่ได้รู้ว่าไม่ได้รู้ภิกษุทั้งหลายอริยะโวหารสี่ประการ น, นี้แหลทุติยะโวหารสูตรที่9จบสิตาติยะโวหารสูตรว่าด้วยโวหารสูตรที่สภิกษุทั้งหลายอนาเรยะโวหารสี่ประการนี้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 การกล่าวสิ่งที่ได้รู้ว่าได้รู้ภิกษุทั้งหลายอริยโวหารสี่ประการนี้แหลจตุทธาโวหารสูตรที่11จบอปัติพยาวักที่หจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. สังฆาเพทะกะสูตร 2. อาปัติพยสูตร 3. เสีกขานิสังสะสูตร 4. ีเสยยาสูตร 5. ทูปารหาสูตร 6. ปัญญาวุติสูตร 7. พ็ะหุการะสูตร 8. ปดฐมมัโวหารสูตร 9. ทุติยะววหารสูตร 10. ตติยโวหารสูตร 11. จตุทโาวหารสูตรปัญจมะปัญนาจบบริบูรณ์ อภิญญาวักหมวดว่าด้วยธรรมที่รู้ยิ่ง 1. อภิญญาสูตรว่าด้วยธรรมที่รู้ยิ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมสี่ประการนี้ธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ทึ่งธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรกาหนดรู้ก็มี 2. ทงธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรละก็มี 3. ธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรให้เจริญก็มีสี่ธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรทําให้แจ้งก็มีธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรกําหนดรู้เป็นอย่างไรคืออุปาทานขันหานี้เรียกว่าธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรกําหนดรู้ธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรละเป็นอย่างไรคืออวิชาและภวะตันหานี้เรียกว่า ธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรละธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรให้เจริญเป็นอย่างไรคือสมถะและวิปัสสนานี้เรียกว่าธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรให้เจริญธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรทําให้แจ้งเป็นอย่างไรคือวิชาและวิมุตตินี้เรียกว่าธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรทําให้แจ้งภิกษุทั้งหลาย ทำสี่ประการนี้แลอภิญญาสูตรที่สี่จบ